ทุวันนี้คนมีความทุกข์เยอะบ้าน เ, เรือนเต็มแต่งรวดเร็วคนก็ยืน่อนทุกวันทุกวันนะหาความสงบสุขในิใช้วย ไ, ไม่ได้ถ้าเราได้สุส่อสารธรรมะแล้วชีวิตนจะมีความสงบสุขขึ้นมาพวกเราต้องถือว่าพวกเรามีบุญนะวเราเกิดมาในแผ่นดินที่ธรรมะยังดำรงอยู่ เห็นคนที่ไปที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมาจากหลายประเทศเลยมีฝรั่งก็มีคนจีนคนตรคนี้คนนี้คนนี้น่าสงสารเขาอยากได้ธรรมะแต่พ่ายากที่เขาเจะไปเขะฟังไม่รู้เรื่องพวกเราฟังรู้เรื่องแต่เราไม่ค่อยฟังถ็นมีโอกาสแล้วจะที่โอกาสให้สูตรหลัก พยายาศึกษาธรรมะเอาไว้วันไหนได้ศึกษาธรรมะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะมีความสุขมีความสงบในชีวิตอย่างรวดเร็วเนี่ไม่ใช่จะปฏิบัตนะิธรรมแล้วต้องใช้เวลาอะไรลายๆปีหรือภาวนาในชาตินี้แล้วชาตินนนหน้าก็จเกิดผลอะไรนี่เกินไปธรรมะของพระพุทธเจ้าหนระือท่านบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนะี่ยเป็นธรรมะของมหาบุรุษ เนธรรมะของผู้ยิ่งใหญ่มีองค์ประกอบไหนอ่ะองค์ประกอบประกาสุดท้ายนะั้นต้องไม่เดินช้าทหารภาวนาแล้วก็เดินช้าหลายปีก็เหมือนเดินสงบแล้วก็ฟุ้งซ่างฟุ้สร้างาแล้วก็สงบตลาดชีวิตมีอยู่แค่เด็กแสดงว่าทําไม้ถูกหรอกถ้าเข้าใจหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะปฏิบัติถูกเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวเร็วเห็นเดือนสองเดือนก็เห็นแนละ้ว เป็นคนไปเรียที่หลวงพ่อทุกวันนี้เยอะเยอะขึ้นทุกีทุกีเพราเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้เราก็เร็วเลยเปลี่ยนแปยังไงเคยทุกข์มากนล้วก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงกิเลสแต่เดิมเราเคยไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นเคิดว่าเราเป็นคนดีคนพิเศษคนอื่นเขาไม่ดีเราเป็นคนดี มหาธรนมารู้ทันใจของเกเรเข้าไปจริงๆเราจะเห็นว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยหาคนร้ายเข้าเราหายากในพอเราเห็นทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนั้นกิเลสจะครอบงำใจไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำใจไม่ได้ในจิตใจจะมีความสงบสุขขึ้นมาจิต ใ, ใจที่เราร้อนมีความฟุกข์ทุรนทุรายขึ้นมาเพ้าๆกิเลสมันครอบงำใจได้เกานพวกเราบุญก็ล่า ภาคเปียนที่จะศึกษาธรรมะครับที่หลวงพ่อพูดมาหลายทีแบบให้เราศึกษาธรรม ะ, ร ะ, รรรรมะปัญหานี่ก็คือธรรมะอยู่ที่ไหนจนะศึกษาอย่างไรธรรมะไม่ได้อยู่ไกลนะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มีสองส่วนที่เราต้องศึกษาส่วที่หนึ่งคือรูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมรู้จักรูปธรรมไหสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่สัมผัแไดงแต่ต้องได้แับสิ่งที่เป็นนามธรรม สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราต้องศึกษานะก็คือกายของเรานี้แหละสิ่งที่เป็นน า, า, ามธรรมก็คือความรู้สึกเป็นค e ิดจิตใจของเรานี้เองเพราะฉะนั้นเรียนธรรมะไม่ได้เรียนที่อื่นเลยไม่ได้เรียนที่วัดนะไม่ได้เรียนกับพระไม่ได้เรียนหลวงพ่อกระสั่งกับพระพุทธเจ้าท่านก็สอนธรรมะเราไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกเองเลยนว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านบอกทางที่จะเรียนธรรมะให้เราบอกว่าธรรมะอยู่ตรงไหนจะเรียนอย่างไร เกิดหน้าที่ที่จะเรียนเป็นหน้าที่ของเราเองเมื่อเรียนแล้วเราจะเข้าใจธรรมะเรื่องตัวของเราเองธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเรียนได้เฉพาะตัวสอนแทนกันไม่ได้นะบอกแทนกันรู้แทนกันไม่ได้ใครปฏิบัติคนนั้ก น, นก็รู้โนรุธเจ้าถึงบอกว่าถ้าเรียนแค่ผู้บอกทา่านแล้วเราจะไปคานบาังนะจะไปเสียหอกเสียใจเรืว่ว่าเราเกิดไม่ทานโนรุธิเจ้าเราเลยไม่ได้ธรรมะไม่ใช่ท่านบอกทางไว้ให้ทาง ที่จะมาเรียนรู้ธรรมะคือก็คือทางที่จะมาเรียนรู้กายและใจของตัวเองทำยัไงเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อจะเบื่อจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่มีแต่ตัวทุกมีแต่ทุกข้างนั้นเลยพอเบื่อก็จะคลายความยึดถือออกไปไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจถ้าคลายความยึดถือใจนะ ยึดใจยจิตหลุดคนท่านทีสอนบอกว่าเราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายต้องเบือนายจึงใคร่กำนัดจึงใจความรักใต้ผูกันยึดถ้าใคร่กำหนจึงุดค้นไม่ยึดใจไม่ยใจกายเนุกนะใจทุกั้นแต่ผู้ปฏิบัติเลยพคนคนจัดทุกไม่ยึดมันมทุกมีอยู่ในโลกแต่ไม่มีเจ้าของภาวนาไปถึงจึเรียนอะไจะเห็นเลย ความทุกข์มันมีอยู่โลกมีทุกโลกนี้ยังไงก็ต้องทุกข์ไม่ใช่ภอวานาให้โลกนี้กายเป็นสุดนะต้องใจผิดไม่ใช่ว่าภาวนาไปเรื่อยๆแนละ้วก็ร่างกายที่มีแต่ความสุขจิตใจมีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตดีขึ้นหมดเลยคนระับถูกอล้วตอนนี้ร่ำรวยเรื่องต่างๆประเร็นอะไรโลกนี้ยังไงก็ทุกข์เราคิดอยู่ตั้งแต่เด็กๆมาอนะ่านตอนทุกเท่าเท่าไหรนะ่แล้จนเราถึงวันนี้ ความสุขที่เห็นว่ามีว่ามีอยู่นะมาแป๊บเดี๋ยวก็หายเลวความสุขเป็นแค่ภาพหลดนตาความทุกข์เป็นของจริงเนี่ยโรงพยาบาลเลยที่แสดงความทุกข์ให้เราเห็นนะความทุกข์เป็นของจริงเราภาวนาไม่ใช่เพื่อว่าให้ความทุกข์หายไปเลววาภาวนาจนึงทั้งวันเลยไม่ยึดือกายไม่ยึดถือใจใกายและใจก็ทุกข์ของมันแนะแต่เราไม่ยึดถือทําให้ทุกข์นะท้าถึงบอกว่าถ้าภาวนาไปแล้วเนี่ย ควาทุกข <Yeah. S 3> so, the e ์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์มันไม่ใช่ตอนนาไม่เป็นทุกข์นะทุกข์มีร่างกายอะไรก็ุ้องร่างกายยัไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ไม่พ้นหรอกแต่แต่ว่าเราภาวนาแล้วร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายใจเราไม่ทุกข์ด้วยเพราะเราเห็นความจิงขลกายแล้วเราไม่ยึดตืดในการจิตใจเราเดี๋ยวก็สมหวังเดี๋ยวก็ผิดหวังนะมีความหวังข้นมาแล้วก็ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้าง เราภาวนาไปได้ไดเราเกิดปัญญาเราเห็นความสุขก็ชั่วคราวมีได้ความสุขถาวรไม่มีความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความทุกขถาวรไม่มีหรอกใครไปทุกข์นานๆอย่างบางคนก็อกห่าทุกข์สองสามปีไม่จริงหรอกเขไปคิดเรื่องอืน่นลืมคิดเรื่องอกหักนั้นก็ไม่ทุกข์แล้วทุกข์ขึ้นมาตอนที่คิดไม่คิดก็ไม่ทุกข์หรอกได้ความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความสุขก็ชัววนะวช่วคราว กุศลก็ชั่วเปลาอย่างบางครั้งแจ่องเราเป็นบุญเป็นกุศลอกุศลก็ชั่วเปล่าโรคปิดหลงก็ชั่วเปล่ามีใครโรคตลอดวันตลอดคืนไหมไม่มีโรคก็โรคเป็นชั่วเาแล้วก็หายไปปวดก็ปิดชั่วเปล่แล้วหายไปหลงก็โหลงแว้ๆนั้นในโลกนี้มันมีแต่ของโชั่วเปลาดงั้นเวลาที่ใจเราฉลาดขึ้นมามันเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วเท่าไหร่ที่เกิดขึ้นจาจิตใจนี่เป็นแค่ของชั่วเปลา มันไม่ยึดถือความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นนะก็ไม่ชอบช้นไม่เกลียดชังมันผู้สนเกิดขึ้นก็ไม่เพลิดเพลินไปว่าโอ้ฉันเป็นคนดีพิเศษหรอกกระดือผู้สอนเกิดขึ้นความโลภความโกรธความโลงเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความโกรธปูความลังเร่อสงสัยความกลัวความอิจฉาความกังวลอะไรเกิดขึ้นก็เรามีสติปัญญาจริงเลยเห็นว่าทุกอย่างชั่วข้าม ถ้าวันใดที่เราภาวนานจะเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรามีความโชคดวความทุกข์จะหายไปเยอะทุกวันนี้เราคิดว่าเราไม่โชคดีแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่จริงๆมีตัวเราจริงๆก็เลยอยากให้ร่างกายนี้อยากให้จิตใจนี้มีความสุขถาวรดีถาวอนที่เราอยากแบบไร้เดี่ยวสาอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไร้เดียงสาถูกไหมแต่ก็กลัวไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องกลัว ลกลัวดรักไมไดจากสิ่งที่รักกลัวเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ต้อกลัวท่นใจเราเต็ไมไปด้วยความทุกข์นานาชนิดเลยแต่ท่าใจเราเห็นความจริงนะร่างกายมันมีธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชีวิตนี้มีธรรมดานาสมหวังแล้วก็ผิดหวังมีราภแล้วก็เสื่อมราภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญได้ก็มีลินทาได้มีสมได้ก็มีทุกข์ได้ถ้าเราหนักภาวนาไป เ, เราก็จะเห็นความจริงของชีวิต ทุกอย่า ง, งานะมันชั่วเล่านะมันหมุนไปเรื่อยๆสมรุ่งดีชั่วนะล่างยอด ส, ะะ ส, ะสขขารเสลดสมเสริบล่างเชิมยอดดนทานรุกงเรนะืเป็นธรรมดามองโลกถ้าใจเราเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นธรรมด า, รร ม, ามันเป็นอย่างนี้แหละหมุนเปียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครานี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจเราไม่ทุกข์เลยทุกข์น้อยลองอไปเยอะเลยความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตท้องร่วมใจนะต้องร่มหลอกนะมันอยู่ไม่นานหรอกเพ้วพวกเราบางคน เจอปัญหาชีวิตหนักๆแล้วต้องคาถาไปเลยเดี๋ยวมันต้องผ่านไปไม่มีหรอกความสุขที่ไม่ผ่านไปเราทําใจได้เลยว่าไม่นานเลยก็ต้องผ่านไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราสมหวานหรื่อเรามีแฟนเราแฟนเราดีดีสามีเราดีหรือคนอื่นต้องทําใจไว้เหมือนกันนั้นวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปเหมือนกันไม่ผ่านไปตอนเป็นเป็นหรือผ่านไปตอนตายตายยังไงก็ต้องผ่าน ตัวอย่างไม่เคยคงที่ลเลยโลกเคลื่นไหวโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแลาวตอนานเนี่ยก็ให้เห็นความจริงตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านเ้ามในชีวิตเราน เ, นออนนเนี่ยเป็นแค่ของโชคตาเท่านั้นเองอนนั้นแคสิ่งนี้แนะวิธีการทำํำยังไงที่เราจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราทั้งในกายในใจนี่เป็นของ่วคตาวิธีการอันนี้นเรียก ว, ว่าการเจริญนิพพสนกรรมฐานความชื่นและน่ากลัว คำวิปัสนาธรรมฐานลืมมันไปก่อนก็ได้พูดภาษาไทายสมัยใหม่มันคือการเรียนรู้เองเราเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคืออะไรคือกายกับใจนี้ยังทำยังไงเราจะเรียนรู้ความจรของกายของใจได้เราอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าลืมมันก่อนนะขั้นแรกต้องไม่ลืมกายลืมใจก่อนตรงที่คอยรู้กายคอยรู้ใจนี่แหละว่ารู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจแไปอย่าใจลอย คนในโลกนี้รักตัวเองที่สุดนะแต่ลืมตัวเองตลอดเวลาเพราะเราลืมออกไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเราจิตใจเราอยู่กับเรื่อตัวสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์วันหนึ่งวันหนึ่งจิตเราหลงไปเรื่องอื่นนะไปยุ่งกับคนอื่นนะกี่เปอร์เซ็นต์งั้นจริงๆแล้วเรารักตัวเราเองที่สุดนะแต่เราละเลยไม่สนใจตัวเราเองเราบอกเรารั ก, กเองที่สุดแต่ว่าจริงๆไม่สนใจเองทอจริงงมันตลอดเวลา ร่างกายเรามีอยู่เราก็ลืมทุงวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะไม่เคยเริ ah ่มตมันเลยมันก็เดินสูงสี่สูงห้าเต้นโน่นชนนี่ไปเรื่อยๆนะทุกทีงั้นเราอยากปฏิบัติธรรมนะขั้นแรกเลยอย่าลืมนะลึกตัวควรู้สึกตัวไหมอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองควรู้สึกกายก็รู้สึกใจบ่อยๆร่างกายมีอยู่ก็รู้สึกไปเห็นหร่างกายไปไหนใจเข้าร่างกายใจออกเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนนะ เห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจความสุขความทุกข์เป็นเกิดได้ทั้งกายทั้งใจเกิดที่กายก็มีเกิดที่ใจก็มีมันเกิดขึ้นมาแล้วก็คอยรู้ไปเห็นความโลภความโกรธความหลเท่าไหราเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ไปนี่เราความมีสติตามรู้มันไปเรื่อยๆการที่เราคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆวันหนึ่งเราจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ย แ ส, สดงความจริงออกมาความจริงของกายของใจเรีว่าไตรลักษณ์ความจริงของกายของใจงใใคือไตรลักษณ์ไม่เชี่ยเป็นทุกข์นะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราการทําวิปัสสนาตรรมทางนนี้ก็คือการที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่เห็นกายเห็นใจเฉยๆนะถ้าเห็นกายเห็นใจเฉยๆยังไม่ใช่วิปัสสนาอย่างพวกเราบางคนเป็นหายใจาข้าหายใจออกนะใดสงบอยู่บนลมหายใจ ใม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะบางคนเป็นดูท้องเอายุคจิตสงบอยู่กับท้องจิตไม่ลืมท้องเลยทั้งวันจิตอยู่ที่ท้องอย่างเดียวไม่ได้เห็นใจรักนะเป็นแต่ท้องเป็นสมถะเรียนโจงกระมยกเท้าย่างเท้าเห็นแต่เท้าทั้งวันไม่เห็นใจรักก็เป็นสมถะถ้าให้เห็นไใจรักยังเป็นสมถะอยู่ต้องเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักได้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาคือการเห็นแจ้ง เห็นอย่างพิเศษเป็นความจริงว่มามันเป็นใจลับเห็นขั้นแรกเลยนะให้เราไปรู้สึกตัวบ่อยๆถ้าเราลืมตัวเราเองนะเราก็ไม่สามารถเห็นกายเห็ในใจได้ท่านต่อมาถ้าเราไปรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วเราอย่าไปจ้องเหมนให้นิ่งบางคนไปรู้กายแนละ้วก็จ้องร่างกายนะเช่นรู้ลมหายใจแล้วจ้องจ้องจ้องเหมือนเร่ๆนะนิ่ ง, นะงไม่มีปัญญา ปัญญาต้องเห็นใจรักน ะ, ะเป็นจ้องแล้วมันนิ่งเหมืนเวทแสดงอนิจจั ง, งรูปขังอน้าตาอะไรให้ดูนะั่นเราอ่าเป็นเท่งสรุปง่ายๆนะสิ่งที่เป็นศัตรูที่ทําให้เรารู้กายรู้ใจต่าความเป็นจริงไม่ได้หรือทำวิปัสนาไม่ได้ที่สองอย่างอันหนึ่งเหลอไปลือกายลือใจตัวเองอันที่สองเป็นเท่งอยู่ที่กายเท่งอยู่ที่ใจร่างกายก็นิ่งนิ่งใใ จ, จิตใจก็นิ่งน่งไม่แสดงใจรักไม่แสดงความ่เมตยง แล้วก็มีความสุขขึ้นมานะแกงตือแน่ฉงบสุขแน่เห็นแต่สุขไม่เห็นุกหรแล้วก็รู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบรรทัพได้ภาวนาแล้วรู้สึกว่ากูเก่งอาวนาผิดแน่นอนภาวนาถูกต้องแก้ว่าวภาวนาแลไม่มีกูนะไม่ใช่ภาวนาแล้วกูเก่งนั่นศัตรูของการที่จะเรียนรู้กายรู้ใจมีแค่สองอย่างเท่านั้นกงตือสตรูของนักปฏิบัติวิปัสนาธรรมตัวที่หนึ่งรู้กายรู้ใจ ตัวที่2องเพ่งใจเพ่งใจนี่อย่างเราเดินจูงโคลนนะคนคนเดินจูงโคลนแล้วเพ่งอยู่ที่ท้านะจิตเกาะอยู่ที่ท้าเลยสงบนิ่งอยได้สมถะไม่ใช่วิปัสนาไม่สามารถเห็นกายเห็นใจเห็นไตรลักษณ์ได้เมื่อเราอยู่ในเพ่งนะเราแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจอะไรก็ได้ในกายในใจนี่ยให้เกิดกาเกิดใจออกไปคนไหนถนัดรู้ไปก็รู้ไปคนไหนถนัดที่จะรู้ทานใจตัวเองก็รู้ไป เมื่ออทิตย์ก่อนหลวงพ่อไปเยี่ยมคุาาูบาอาจารย์องค์หนึ่งในลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนอยู่หลวงพ่อชาหลวงพ่อชาไปบอกบอกว่าท่านจะสอนคนในเมืองนะพวกปัญญาชนพวกคนเมืองพวกที่ทางนานที่เท่าที่ท่าทั้งวันอย่งพวกเราส่วนใหญ่นะให้สอนดูจิตให้สอนอย่างนี้เลยให้ดูจิตไปจิตเป็นยังไงให้ความรู้เป็นจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วนะรู้ด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้าย ้าควมสุขขเกิดึนะให้รู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นถ้าความสุขเกิดขึ้นแล้วเราพอใจจิตมันพอใจยินดีนะให้รู้ทันตอนยินดีถ้าความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วไม่พอใจให้รู้ที่คัามไม่พอใจนี้ให้รู้ทันไปเพราะการที่เรารู้ทันจิตที่พอใจจิตที่ไม่พอใจนะความพอใจความไม่พอใจจะดับเองจิตจะเป็นกลางขึ้นมาไม่ได้บังคับให้เง็นกลางจะเป็นเอง ง่ายๆในหลักของการดูจิตนี่ดูบาอาจารย์อย่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อมาหรือหลวงพ่อชาท่านสอนลูกศิษท่านสอนเรื่องดูจิตน <S <S <ๆ S 1> ั้นก็คือให้รู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราด้วยความเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเราขับรถอยู่เราขับรถอยู่นะอยู่ๆมีคนปาดหน้าใจเราก็คิดนะมันต้องคิดนิดนึงก่อนคือจฉโหม ถ้าเวลาเราใจลอยอยู่ใช่ไหมมันปัดหน้าเราไม่รู้ไม่โมโหหรอกหรือมันปัดหน้าไปเราเห็นเราสัตว์ไม่เห็นไม่คิดต่อนะเพาไม่โมโหต้องเผลอไปคิดนิดนึงก่อนแน่ชัดแค่ไหนอย่เงยจะคิดในทางไม่ดีก่อนนะความโกรธก็เกิดขึ้นนักปฏิบัตินะความโกรธถือเกิดขึ้นรู้ทันว่าใจมันโกรถ้ารู้ไวกว่านั้นจะเห็นเลยว่าตามองเห็นรูปเห็นคนไม่ปัดนัปัดหน้าไปแค่มองเห็นเห็นรูปมันตัดกวน ถ้าตรงนี้สติตามไม่ทานใจโกรดขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธนักปฏิบัติทั้งหลายพอโกรดแล้วเนี่ยอยากหายโกรธไม่ชอบรู้สึกกิเลสเป็นขาไม่ดีให้รู้ทานใจที่ไม่ชอบความโกรธให้รู้อย่างนี้นะรู้เป็นลาดับลําดับไปอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็รู้ว่านั้นแปลกหรือเราเดินเดินอยูเ่เราเห็นผู้หญิงสวยผู้หญิงเป็นอารมณ์ที่รู้ด้วยตาเป็นภาพเกิดขึ้น พอเห็นผู้หญิงสวยเดินมาจิตมีราคะใจเราหลงราาักเขาชอบเขาอยากได้นักปฏิบัติที่ดีก็คือควาใจมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามมีราคะถ้าใจมีราคะแล้วพอพวกเรานักปฏินนบัติเห็ น, น, นเก็ไม่ชอบใช่ไหมราคะไม่ดีกิเลสไม่ดีให้รู้ทานใจที่ไม่ชอบราคะเน้รู้ในปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้ทากนการทํางานของใจเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆ หัดดูไปเรืยนะถึงจิดหนึ่งก็จะเห็นว่าทุก อ, อย่างโชคราว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเท่าไหร่เป็ของโชคตรามนรรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่าไปเพ่งให้มันนี้หลายคนมีนเพ่งติดสมถะติดสมถานิ่งต้องเลื่อนใจอยูเเอนะ่เงี้ยคนด่าก็เฉยนะคนชมก็เฉยเปลี่ยนอะไรก็เฉยดูนั่นจะเปทํารรมใจนิ่ใช้จิตใจธรรมดาของมนุษย์ธรรมดานี่แหละ ตามองจะมองลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปเป็นตามธรรมดากระทบไปแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ารูปป้ไปตามธรรมดาไม่ได้บังคับหนะไม่ได้ห้ามจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตโกรธขึ้นมาว่าโกรธจิตไม่โกรธหายโกรธแล้วรู้ว่าหายโกรธแนี่อยอดูโลกปัจจุบันอย่างนี้ไปเรื่อยๆทีนี้การปฏิบัติจริงๆไม่ยากหรอกในห้องนี้มีคนไหนไม่รู้จักว่าโกรธเป็นยัง มีใครไม่เคยโกรธย้งเลยให้โดนเนี่ยมีไหมมีใครไม่เคยโลภมีไหมมีใครเคยโลภมีไหมอ๋อต้องทดสอบนั้ น, นึกปฏิกายนย้เลยไม่เป็น <c oughs> มันไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดหรอกนะการปฏิบัติธรรมเป็นการเรียนรู้ไปอะไรกําลังเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อโดยเฉพาะพวกเราชาวเมืองเนี่ยอะไรเกิดขึ้นสดสดร้อนรในใจเราเราไปรู้ไป อย่างาเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อคุณนมาพักหนึ่งรู้สึกไม่สุดซึ้งแต่พอได้ยกไม้ยกมือข้รู้สึกว่จิตเคลื่อนไหวแลนะ้วกระชับกรเฉงขึ้นมาเนี่ยรู้ความหน่งแปลแค่นี้แหละ ย, ยากเหลือบางคนบอกว่าดูจิตยากดูจิตยากนะมาลำตึงลำพันไปที่วันของพ่อเขาเคยมีเรนี่ไม่มีแล้วดูจิตมันยากหลวงพ่อเลี้ยงเด็กเล็กๆขึ้นมาปวดรู้จักไหมรู้จัก อยากได้รู้จักไหมอยากกินรู้จักไหมนะเคยเคยปวดแม่ไหมนะเคยเคยรักแม่ไหมเคยความรู้สึกนานานชนิดนะจะโลกจะปวดจะหลงเคยอิจฉาไหมนะเด็กมองหน้าน้องนะเคยนะแถ้าอิจฉาเด็กจะรู้จักเลยเคยกังวลไหมนะเคยกลัวไหมกนะ็เคยนะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เขาจะมาฉีดยาที่โรงเรียนวันนี้กังวลแล้วไม่เห็นะนะเด็กไม่ชอบหมอนะ เป็หมอเป็นอาชีพที่น่าสงสารมากเลยนะต้องหมอท่างเป็ยามบาลคาจริงไม่มีใครเขาอยากเห็นเราหรอกถ้าเอาเ่วยปอนนั้นปอดให้มันจืดกันต่อยๆที่นี่นะไม่มีใครน่าอกบอายนะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วการที่เราจะดูจิตดูใจตัวเองเนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกนะรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราไปเรื่อยๆรู้ไปอย่างธรรมชาติธรรมดานะ ไม่เพง่งไม่จองเพ่งนิ่งเหมือนคุณคนนี้ที่มีอินเตรนมีเครื่องแบบเยอะภาวนายอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกมันเ่นะมันเพง่นะเพงในใจนิง่งอย่างนี้ไม่มีใจรักแค่ดูนะนต้องปล่อยให้มันเครื่อนไหวแล้วตามดูอเ่างคุณโน้นชั้นพิเศษเท่านี้รู้สึกไหมใจหยาบไปคิดเวลาใจระดีไปคิดเราลืมกายลืมใจตัวเอง าการปฏิบัติธรรก็คือคอยรู้สึกใจคอยรู้สึกใจแค่ใจรอยก็้วออย่างเพ่งแค่นี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยดูถัดแค่นี้เองรู้จักกปวดทุกคนใช่ไมรู้จักโลครู้จักหลงไหมใจลอยใครรู้จักใจรอยใครรู้จักฟุ้งซ่างใครรู้จักกดหูใครเคยอิดช้าบ้างคเคยทุกคนหลยอย่าลืมนะว่าผู้หญิงที่อิจชามากกว่าผู้ชาย ผู้ชายก็ขี้ชาเหมือนกันแต่ว่าต้องวางใจ ไ, ไม่บอกกลัวตะวนันนะเกรงใจรู้จักเกรงใจนะเห็นไมเกรงใจกับกลัวก็ไม่เหมือนกันขัดใจกับแค้นใจไม่เหมือนกันรู้สึกไมขัดใจกับโกรธก็ไม่เหมือนกันขัดใจกับแค้นใจก็ไม่เหมือนกันคับแค้นก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไมเซ็งก็อีกอย่างหนึ่งเรียกนานาความรู้สึกนะอ่ะนะ ความรู้สึกอะไรกําลังเกิดขึ้นสดๆ ร, ร้อนในใจเราให้คอยดู้อาไว้แล้วมาสิเห็นลยว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยอยู่ชั่วครากลัวก็กลัวช่วคตาวนะโกรธก็โกรธช่วคตาวดีใจเสียใจสุดทุ ก, ท, กทุกอย่างช่วคราวเราภาวาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวไม่ได้พาวนาเอาสุขเราสบงบเอาดีแต่พาวาให้เห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี่ชั่วคราว ดูของจริงลงไปในใจเราดูซีว่าโชคเก่าจริงไหมสุขโชคเก่าไหมทุกโชว่วกราวหมโรคหลอดลมอิดชา้าฟุ้งซ่านในในชั่วครก่าไหมดูอย่างนี้เรื่อยๆนะ่างที่เราเห็นว่าทุกอย่างทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของโชคเก่าเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดขึ้นจิตใจมันจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคนที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปในธรรมดาแ น, น่คือท่านโสดาบัน เรย่าบ้าภาพว่าพราะสวดาปันนั่นคือมนุษย์ละหลาดละไปนั่งสมาธิแล้วก็งูหมวดสติไแล้วตื่นขึ้นมาก็เป็นพระสวดาปันไม่ใช่นะไม่ใช่เลยพระสวดาปันก็คือท่านที่งจิตใจยอมรับความจริงเมืสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวร น, นั้นทําเมไร่พวกเราเป็นพระสวดาปันเราจะสังเกตตัวเองได้เราจะรู้สึกหในนี้ไม่มีตัวเรา ก็เรารู้สึกมไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆ เ, เป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมเราคนเดิมนี่แหละแต่ว่าตอนที่ตัวเราเล็กหรือที่ตัวเราใหญ่ขึ้นคนเดิมเห็นไหมว่าเราเห็นว่มีสิ่งบางสิ่งเนี้ยเชี่ยงมีสิ่งบางสิ่งที่เป็นอัตตาคือเป็นสิ่งที่เป็นอมตะนะแต่ทั้งร่างกายเราตายแล้วเราเรียนช่วยนะว่้ตัวที่อมตะตัวที่ไม่ตายเนี้ยจะบอกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่ ให้เราจะรู้สึกอย่างนี้ประกอบรู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนถ้าเราหักภาวนาจริงๆเราจะเห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอยางเกิดระดับนะแต่เด่นเลร่างกายก็หายใจออกแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ช่วงคราวก็หายไปนะกลายเป็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งท ikum, ี่อนอนเนี่ยแต่ละอันจะด่านอยู Puerto, ่ช <Anything, S 1> <m ix pasa>. ่วคราวแล้วก็หายไปความสุขความทุกข์อยู่ช่วงคราวแล้วก็หายไป ความโลภความ โ, โกรธความหลงอยู่ชั่วงราแล้วก็หายไปจิตใจเราก็เหมือนกันเดี๋ยวต้องรู้สึกตัวเดี๋ยวต้อเกลอเดี๋ยวต้รู้สึกตัวเดี๋ยวต้อเกลอเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานะด้วยแต่เกิดเราก็ดับทันทีเลไม่มีอะไรในใกายในใจนี้ที่เป็นอมตัณมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นชั่วคราแล้วก็หายไปสัสงเกตที่ใจเราอยู่ก็ได้สังเกตแม้ใจเราเดี๋ยวก็สู่เดี๋ยวต้อทุกข์ พอใจมีความสุขขึ้นมาใช่ไหมตอนนั้นใจที่ทุกข์ก็หายไปมีความสุขอยู่ชั่วคราวแนละใจที่มีความสุขหายไปเกิดใจที่เฉยๆเข้ามาแทนใจเฉยๆอยู่ชั่วคราวนะั้นอาจจะสุขขึ้นมาหรืออาจจะทุกข์ขึ้นมาอีกก็ได้จิตใจยังก็เปลี่ยนไปได้แอยๆได้เฝ้ารู้อย่างนี้นะมันหนึ่ปัญญามันเกิดจะเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นความชั่วคราวทั้งหมดเลยเราภาวนาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อเอาความสุขความสุขเป็นผลปล่อยได้ มีความสุขเป็นผลปลายได้แต่ถ้าภาวนาก็จะให้จิตมีความสุขมีความสงบเพื่อให้จิตดีความสุขในโลกนี้ไม่เที่ยงถ้าเราภาวนาเอาความสุขก็คือเอาของไม่เที่ยงมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอย่างคนที่นั่งสมาธิรู้สึกไหมมีความสุขนะพออกจากสมาธิก็ไม่มีความสุขแล้วบางคนนั่งเอาความสงบก็ออกจากสมาธิก็ไม่มีความสงบแล้วบางคนก็อยากเป็นคนดีมันก็ดีบ้างร้ายบ้าง และความสมุขความสงบความดีนะี่เป็นของโชคเปล่าในโลกนี้ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่ได้เราปฏิบัติธรรมจริงไม่ใช่เพื่อสิ่งเหล่านี้แต่เพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาดูในโรงพยาบาล น, นี่แหละมีสิ่งเกิดสิ่งดับเสียไปหมดเลยนะรวมทั้งความรู้สึกของเราด้วยพวกหมอพพยาบาลรู้สึกไหมอย่างเรามาโรงพยาบาล น, นะทุ่นี้คนไข้ต็่นเป็นหมดเลยสดชื่นไหม ดีใจไหมโอ้ดีใจเลยคนไท้เต็มเลยจะได้ทําบุญเยอะๆได้รู้สึกนะออกจากโรงพยาบาลไปที่คลินิกของเราแนละ้วคนออกมาล้นเป็มถนนเลยเราจะดีใจนี่ยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเปี่ยนมาแล้วเราไปรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยอย่าไวาดภาพการปฏิบัติธรรมว่าคือการทําอะไรที่ยากเกินกว่าความเป็นจริงแต่ว่ามีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งนะฝากพวกเราไว้พวกเราต้องถือสี้อ คนที่ไม่ถือศีลภาวนาไม่ขึ้นหรอกนะเนี่เป็นบทที่สุดที่เห็นมาเยอะแยแล้วเหท่านไม่มีศีลภาวนาไปไม่รอดหรอกศีลรักษาไว้นะตั้งใจรักษาไว้เรามีศีลแล้วเราก็ไปเจริญสตินในชีวิตแต่ใจวันให้มากมาต่อไปถ้าคนไหนคิดว่าอยากได้มากผลยิ่งานในชีวิตนี้นะก็เพิ่มลงไปอีกทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาไว้สักช่วงหนึ่ง ในนั่งสมาธิบ้างเดินจงก่มบ้างทำในรูปแบบการทำใจรูปแบบก็ค่อยๆนับโมวยเข้าค่ายสองถึงจะเป็นแชมป์โลกก็ต้องซอมชกนะพวกเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันเราก็ต้องซ้อมให้เกิดสติบ่อยๆทุกวันไหว้ตาสวดมนต์ไปนะเช่นอาลังซมานะรู้ทันเห็นร่างกายหน้าปากก็งักกงักสวดมนต์ไปซ้ำพุโธพรวาใจหนีคิดรู้ว่าใจเหนคิด คอรู้ทันตัวองรู้ทันกายรู้ทันใจไปเรื่อยเวลาเดินจมกรมก็เดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจนะไม่ใชเดินให้ใจนิง่งๆเดินให้ใจนิ่งง่ายๆเดินไปเป็นสังมันเดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจเห็นร่างกายเดินเดินใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเดินเดินใจเป็นคนดูไปเรื่อยแล้วพอใจแอบไปคิดว่ารู้ทันได้ทำในรูปแบบว่าใจจะได้มีเรื่องมีแรงสรุปง่ายๆนะถือศีลให้ก่อนศีลห้าก็พ อ, อแล้ว มีสิงถ้าวันไหนสิงห์ขาดใครก็ต่้งใจรักษาใหม่อน่าไปรุ่มใจขานแล้วขาดไปนะต่้นใจทำใหม่แล้วก็ทำในรูปแบบบ้างเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันวิธีเจริญสติในชีวิตประจวันที่เหมาะกับคนในเมืองอย่างพวกเราก็คือการดูใจตัวเองจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจโลภใจโกรธใจโลงใจทุกงซ่านใจวุู่ใจดุเข่ง้นิ่งอย่างคุณเนี้ยจิตเ่งนะใจเ่ง้นง เขาดูทันนไปได้เลิกซะเตเงนะเต็มเป้นวไม่มีปัญญานะมติดสมรรไม่เกิดปัญญาเห็นใจรักแค่นี้แหละพอทำไหวไหมตลวงพ่อภาวนาสมัยเป็นฆราวาสเหมือนพวเรานะหลวงพ่อเมืก่อนทำงานอยู่สภาบของมันคงแห่งชาติชื่อนักดูนี่อยู่สภาความเป็นาม่งชาติทำงานหนักมากงานเครียดมากเยบนๆต้องมีคราะข้อมูลเป็มไปมเลยเรายุ่งกับคนมากต้องไปชุุมมาก มาตําหนิทิศทางาเรื่องนี้คนไปแก้ปัญหาอย่างไรอย่งไรมีหน้านที่เสนอนายกก็เป็นคนตัดสินใจสภาของมันง่นคงเป็นคนเสนอแนวทางให้เลือกงั้นงานหนักมากเลยเราเข้าไปข้าราชการเราพอ น, า น, า, นานทั้งที่ยังทํางานอยู่นะเหมือนที่พ่อเราตอนนี้แหละตื่นเช้าขึ้นมาวันจันรในใครเป็นข้าราช ก, การในห้อง น, นี้เช้าวันจันรู้สึกยังไง ต่นแต่เช้าวันสุกรู้สึกไหมเนี่ยเห็นไหมการฝ น, นหลง่ายแค่นี้ตื่นมาเช้าวันจันทร์นะใจรู้สึกยังไงใจแห้แงแ้งเี่ขี้เกียจนะวันัคาก็ขี้เกียจใช่ไมันพสุดเซ็ง ร, รู้สึกไหมันพูธสุดเซ็งวันพฤหัสมีความสุขรู้สึกไมมันสุขกัดิกระดาษแค่ตื่นขึ้นมาแนละ้วแค่แค่แค่คิดเท่านะั้นระหว่างนี้วันอะไรนะใจยังเปลี่ยนแล้วก็แค่มีสติตามดูมันไป ใจเราเดี๋ยวก็สุเดี๋ยวก็ทุ้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็รายทั้งวันอยู่อย่างนี้เองจะกินข้าวนะเห็นอาหารที่เราชอบใจเราต้องพอใจเนี่ยเจอแต่ของไม่ชอบเลยนี่ลงไปลงอาหารนะมีแต่ของไม่เอาไหนเลยอาหารโรงพยาบาลนี่ขึ้นชื่อเลย่ไม่ใครอยากกินหรอกพยาบาลเองหมอเองก็คมไม่อยากกินอนะี่าที่สี่รากแล้วสดที่ก็เป็นไปสมอรพยาบาลได่ชอบกินส้มตำใส่กุเค็นท่านทะที่รู้ว่ามีเชื้อโรคอะไร แค่กินอาหารส ะ, ารสะารอาก็ไม่มีความสุขเนี่แค่ตาเรามองเห็นอาหารหรือจมูกเราเล็กลิ่นอาหารเนะใจเรายังเปลี่ยนเนะี่ยดังั้นเวลาได้กลิ่นบางทีอยากกินใช่ไหมบางทีให้กล่นไม่อยากกินนะีให้ครยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจนะตาเรามองเห็นความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนเราคอยรู้ทันการปฏิบัติทำไม่มีอะไรหรอกโย่คอยรู้ใจที่กำลังขึ้นหรือกำลังล แค่เห็นลูกเราใจเราอยากับเพิ่มขึ้นหรืเพิ่มลงเลยเดี๋ยวก็ดีใจเดียววดนะเด๋ยวก็ไม่พอใจอ่ะเห็นคนอื่นก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจคอยรู้ทางใจที่เราเพิ่มขึ้นหรเพิ่มลงจะได้แค่นี้ไหวไหมไหวแต่ม่ได้คิดทำนะต้องทำนะต้องสู้ออานะแล้วชีวิตจะได้มีความสุข่ง้งกงาเพื่อ่รสน่คก่อนหลวงพ่อ ให้พิจารณาการแล้วก็เู้่อแต่รู้เป็นคนที่มีทุกความเมตนาเยอะก็เลยใช้กายพิจารณาตามที่หลวงพ่อแนะนำนะคะบางครั้งก็จะมีความรู้สึกว่ากายกระจไม่ได้ถที่กายก็จะทุกคนจะน้อยลงเนี่ยการก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วสะดวกไหมกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งดออกไหมเนี่ยแล้วใครทุกข์อ่ะ แม้เนะวทนามีอยู่ใช่ไห ม, มแต่เวทนาไม่ใช่กายกายไม่ได้ทุกนะเวทนาไม่ใช่จิตก็ตใครทุกะอนะความทุกมีอยู่แต่ไม่มีชคของฝนะึกจได้แต่บางครั้งก็ยังมีหลงอ๋อ<ม>เวลาหลงนไหลเข้าไปรวงเป็นต้นเดียวนไม่ก็มีเราจุกลแล้วบางครั้งก็ยังคุ้าซ่าแล้วก็ตอนนี้จะรู้จักว่ า, ม, ามุกเยอะมากจะเห็นก่อนมากขณะนี้จิตเป็นยังไงหรครับแม่รู้สึก มีพีวิจิตรค่ะขูดไว้เพื่อหลอกไหมอ่ะเกตให้ใจเราทิ่งถูกฝักถูกฝักนะมีหัหาแซ่บนิดหน่อยหลอกไหมมันมัวไม่ใส่ร้อยปอร์เ่ะรรู้ทันตัวอย่างด้่ยใจที่เปกลางก็ค่ะที่ไม่เคยเห็นจิตโัวเก็จะเริ่มเห็นไอ้นั้นเยอิๆเอ้ยมันแปลกเลยมันประลาดนะเออขนดเจังมันทงานมันได้รางัลแปลกแปลก โอกาสของพระคุณที่หลว่อชี้นำที่แล้รหน้าตาหม้าของพระพุทเจ้าไม่ใช่ของหลงพ่อโอกาสที่มัมผัสงานหลวงพ่อเราดูไปแน่ใจนะคะที่หลวรู้จีบมาว่าถือข้อมไว้ค่ะทาบถามตราบตักตอบไหมทราบต้องหัดดูบ่อยๆนะแช่เราเป็นยังไไปรูรูซื้อ กาเกไ่ตอนนี้เราก so ็อค <addiction> ับอยู <st uttering> ่ดูออไม่เป็นธรรมชาติวูออกมแขงอยู่นิหนึงดัออไหมดูไหมต้องเปลงใจนะตื่นเต้นเพราะว่าตื่นเต้นมันไม่ใช่แค่ตื่นเต้นเฉยๆมันมีการบังคับตัวเองให้ไม่ตื่นเต้นเลยาที่บังคับตัวเองเกิดขึ้นในใจจะแน่นๆรู้สึกไหมอึดอ ยังมีความคืบหน้นเกินขึ้นถ้าเราไม่ยอมรับความจริงว่าจิตมันตื่นเต้นถ้าเมื่อไรเราไม่ยอมรับสภาวะที่กําลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับสิ่งที่กําลังปรากฏได้ความทุกข์ก็ไม่มีอย่างเราป่วยถ้าเราป่วยไข้ถ้าเรายอมรับได้ว่าร่างกายเราป่วยเป็นธรรมดาต้องป่วยไม่กลุ้มใจถ้ายอมรับความจริงที่กําลังปรากฏไม่ได้ก็เกิดทุกข์หรืออย่างบางคนนะ บางคนสามีมีแฟนมีแฟนใหม่อะไรเงี้ยเรายอมรับความจริงหรือได้กระนะตุกแล้วน่าคิดเมื่อไหร่จะตัดมาความจริงมันไปช้า ด, ดีแล้วคนไม่ดีเอาไว้ทำไม <c oughs> แล้วถ้าเมื่อไหร่เราอยอมรับความจริงที่ก่าปรากฏขึ้นได้เราจะทูกข้อยลง ม, นะมีคนรู้จักคนเดีมวไอทําธุรกิจนะเพื่อนจ่ายเช็คเด้งกว่าสิบล้านกินไม่ได้นอนไม่หลับนะชี้อย่างเดียวคุจะฆ่าหนู มาหาหลวงพ่อนล้วมาโวยวายโวยวายอยากค่าเขาตนนี้เสิร์งเลยจะค่าเขาไปบอกเสียงดังเดี๋ยวเขคุ้คฆ่าเองก่อนอกบอกว่าเสียรู้สึกไหมเช็คมันเด้งเสียไม่อยากให้มันเด้งใช่ไหมบอกใช่มันเด้งแล้วตอนเด้งแล้อยากให้ไม่เด้งต้องุ้งใจสิต้องยอมรับสิตอนนี้เช็คเด้งแล้วนะเด้งแล้วจะทำยังไงดีให้ความเสียหายน้อย ตั้งหลักให้ได้งั้นในชีวิตเวลาเกิดปัญหานะตั้งหลักให้แรกก่อนอย่าปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางถ้าชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ชีวิตคนอื่นนะไม่ใช่ขอาคุณหรอกเอาคุณเองมาพักยืนดูออกไหมกดเข้าไว้รู้สึกไหมหรือหนะันหรือว่าเบิกบานแจ่มใส เบาสบายรู้สึกแน่นๆนั่นใช่หนั่นแหละแน่นๆนี่นแหล ะ, หละเป็นผลของตาที่เราไปกดผมแบบตับตัวเองปวดผกกลัวใช่ใช่ใช่อ <c oughs> เจอ้าหลพ่อก็กลัวเลย <c oughs> ขนาดล้านนะผลวงพ่อมองดีวแนละ้วแค่ข้าปิดเลยคุณพ่อข้าสภาวะนี้ค่ะเราดูแล้วเราพยายามบูว่า สภวาวะของความกลัวหรือพ่ออะไรมันจะหายไปตอนนี้เราไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูให้หายนะเราดูไปสิใจเป็นกลัวเราห้ามไม่ได้ดูตรงนี้เห็นไหมเป็นกลัวของมันเองเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาดังนั้นตอนนี้สภวาวะอะไรเกิดขึ้นในใจเราไม่ใช่ไปห้ามมันไม่ห้ามมันนะแค่รู้ไปความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดความกลัวเกิดรูกเก้เฉยเไม่ได้พยายามแก้ไขมัน รู้ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตใจที่เป็นกลางกลางของคุณตนนี้คือจิตไม่เป็นกลางนะ ไ, ไม่ชอบไม่ที่กลัวคมมาไวไ้เนี่ยให้รู้ทันเลยนี่แหละอ่ะวันี้วนี้รุ่งใจจะตายอีกแ ล, ลมามา้วรอ น, นากนกร็รัชกาลหลวงพ่อค่ะอยารบกวนให้หลวงพ่ อ, อ, อแนะนำนือรอนานอย่าง่ใช่ได้แล้วนะ เออรู้สึกไหตอนนี้กดข่มไหมนะรู้สึกมเนแค่ไนเป็นไปม้ที่สึอยู่แ่จเรื่มเสือรู้สึกไมเห็นกิเลส้งวันเห็นอะ้างไเห็น้อย่างช่วคราววอัตตามันเกิดขึ้นในช่วาวนะเียเกิดแม่งหนรู้ทมันก็หายไปใกล้ๆอยู่ คนเราที่เซลลจัดนะเราว่ายึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองอย่าก็เราทํางานใช้ความคิดใช่ช่เยส่วนใหญ่เราคิดคิดไปแล้วเรายึดในความเห็นของเราเองมากคนอื่นเห็นไม่เหมอนเราเราก็ขุนใจหรือไม่ก็โมโหไปเลยเรียกว่าเซลจัดตาแรงถ้าเรารู้ทันใจมายึดในความคิดความเห็นเรารู้ทันแล้วก็ฝ่ายออกเองไปฝึกอูแต่ไม่ได้ติดเพลงไม่ได้ติดอีกแค่นี้เดี่ยวเพราะว่ากลัวหรือว่า ค่ะอีนี้เนี่นะคะสงสัยอะค่ ะ, ะ, สสะหรือว่าที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเวลาเราโปรธเนี่ยค่ะให้เราดูดูความโกรธทีนี้ถ้าเราโกรธแล้วเราอยากจะไปฆ่าเขาแล้ว เ, เราก็ไปรู้ว่าอยากที่มันไม่หายเราจะไปฆ่าเขาค่ะไม่ได้สิหลวงอบอกไวนะ้แล้วว่า <c oughs> <c oughs> ต่อกรรารภาปนาต้องถึงสี่ท่าถ้าไมจะทํำวิปัสนาต้องมีสี 5, ่ทารู้ไหมเพราะวิปัสนาจะไม่เก็บกด ความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทางไม่เก็บกดนะไม่เหมือนสมาถให้กรธขึ้นมาพุ่งแผไม่ตาไป่เรื่อยไม่อยากฆ่าใครแต่คำนี้โฆษณาเนี่ยเราไม่บังคับใจแต่เราเราจะต้องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไว้ด้วยสีนัวแต่สีที่สัมผัสหน้าไั่งั้นไม่มีคนรู้จักกันเลยโตรธขึ้นมานะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมาช้าส่งช้าไปส่งโต๊ะอื่นข้ามชิวเอามาใกล้ๆโดดตกเนี่ยโอานนั้น ตบเด็จส่งเป็นเตี๋ยวเฮ้ยตบทาไมตบเ้วยจิตว่างดีถ้ามันเรียกว่หลิวโขบัวด้วยจิตว่านเข้าถึงศีลมาบอกว่าฉันเห็นความโกรดนั้นไม้ใช่ได้ใช้ไม่ได้ว่ากันวันศุกร์หน่งพ่อหนูส่งกันบ้านลัางต้นสุสุดท้ายนะตอนเมื่อเมือนมิถุนายนก็เลยยังม่มีโอกาสเล่นมาก่อนพ่อพอระหว่างที่ที่กลับมาฝุกเองที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่า บางทีจิตมันมันเหมือนกับพอเหมือนกับพอเจะมีโอกาสเจอย่าที่ทำอย่างนี้ค่ะผมจะคนที่ช่างสงสัยเขาก็จะบอกว่าอย่าไปสงสัยมันไม่ใช่อย่สงสัยสงสัยให้รู้ว่าสงสัยความสงสัยความโลภความโกรธความโหนงเนี่ยเป็นสภาวะเหมือนเหมือนกันเท่าเท่าเทียบกันทำไมจะเกิดขึ้นตลอดมันเหมือนกัอยู่ในในฝังนึกคิดฝัอยอย่างนี้เห็นตอนนี้ไม่ได้สงสัย เพเพราะก็รังรู้แต่เราเห็นไหมความสงสัยก็ได้เกิดตลอดเวลาเกิดเป็นคราวๆนแล้วก็แค่เห็นว่ามันอยู่ช่วงตาวแล้วก็คือเหมือนพอจิตเราหนีไปคิดอย่างเงี้ย่ะพอสงสัยเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือเราอยากได้คําตอบแล้วก็พอเราอยากเราเรียนกรรมฐานเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อฉลาดรอบรู้ทุกคําตอบเราเรียนกรรมฐานเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไป ต้องการแค่นี้เองต้องการสดาบันรู้แค่นี้เองเพราะงั้นความสงสัยเกิดขึ้นความสงสัยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาไปเห็นไมมมีเหตุคือเราคิดก็มีเหตุความสงสัยก็เกิดพอเราไม่คิดเรื่องนี้มันก็ไม่สงสัยใช่หลือเปล่าเมือเห็นมันดับตัวมันก็ดับคุณเมันทำงานไปเองอย่างสมมติว่าขนาดที่ไม่เคยได้มีโอกาสแก้ชิ้นก็ใกล้ขนาดนี้อาการใจที่มันตื่นเต้นก็เกิดขึ้นแล้วจนตอนนี้มันก็ยังไม่หายไปยังไม่ได้ฝห้า เราสึกให้เห็นมันทํางานของมันได้เองรูส้สึกไหมเราบางาังคับไม่ได้ก็คือรู้แี่ค<อ><ร>วามรู้สึกที่ที่มันไม่ชอบใช่แล้วรู้สองระดับนะสองสเต็ปอันที่หนึ่งรู้สภาวะที่เกิดขึ้นก็คือความเกิดเต้ น, นสเต็ปที่สองก็รู้ความตื่นเต้นรู้สภาวะแล้วจิตยินดีหรือจิตยินร้ายให้รู้ทันอันนี้จิตจินร้ายไม่ชอบเห็นั้มไม่ชอบใหรู้ทันที่ไม่ชอบ ตร่ที่รู้ว่าไม่ชอบตรงนี้ค่ะหนขอยอมรับว่าว่ายังไม่เข้าใจค่ะเพราะตั้งแต่ตรงนั้นตั้งแต่เดินใาลหนไมเะนเราเองจับตรงที่ความสงสัยตรงที่ไม่ชอบตรงรู้ตรงส่งของคุณทะนเนี้ยมันนความสงสัยปิดบางไว้ใช่ความสงสัยเนี้ยเป็นโมหะอย่างหนึ่งนะแล้วตัดเลยที่จิตยังถูกโมหะครอบงำอยู่เนี้ยสกิปัญญาจะยังไม่เกิดใช่ค่ะดังนั้เราอย่าไปเชื่อ ตอนไปนนี้ความสงสัยเกิดขึ้นคุณก็ค่อยๆดูไปดูซิความสงสัยอยู่ชั่วคราวจริงหรือไม่จริงดูอย่างนี้นะแล้วความโลภความโกรธความโงเกิดขึ้นคุณก็ด pues ูเปอีได้ว่ามันอยู่ช่วคราวจริงหรือไม่จริงดูแค่นี้พอถึงวันหนึ่งจิตถึงไรียกรับความจริงมันทุกอย่างเกิดแล้วมันดับตัวซึ่งเฮ้ยนี่หนูรู้สึกตัวถูกต้องบ้างหรือยังบางทีรู้สึกเราไม่แคร่งไม่เคร่ไว้ทำไมเหรอไม่เคร่ก็หลไปคิด ใช่พรว่าู้สึกหมือับเรารู้สึกไหมตอนนีะคั้งครวนไม่ใช่เล่าเฉยๆยแต่เจอความรู้สึกตั้งครวอลงมายังไม่ทันตั้งครวญเวไม่เป็นไรนะคล้ายเจอพ่อเจอแม่ก้อนหน่อยหน่อยอย่างนี้ยะได้เห็นได้ดูหน้าเห็นใจอย่างนี้แล้วเรารู้ท่าอย่างเดียวนะรู้ไปสดๆร้อนอย่างนี้แหละแล้วเราจะเห็นว่าผูกอย่อยู่ช่วคราวทนทนลงนะ คนชื่อสงสัยเนี่ยคือคนน่าสงสารที่ว้าหของพ่อพีมีแล้วมีตามองหนงชื่อสงสัยสงสัยมันทุกเรื่องเลยสงสัยมันก็แปลว่าจิตเราแบบเราอยู่เฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยยังเงี้ยก็คือไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกใช่แล้วจิตสงสัยขึ้นมาก็ดีแล้วเราก็ปฏิบัติให้ตูกแวคือจะเห็นว่าจิตเราสงสัยก็เห็นว่าความสงสัยอยู่ชั่วครารู้สึกไหมมีความสงสัยอะไรที่ไม่อยู่ช่วคราวไม่มีหรอก นี่ยแต่ว่าสงสัยขึ้นมาแวะเดแล้วเราก็หายแต่ชิดใหม่สงสัยใหม่ทุกอย่างช่วคราวตั้งหลักให้ดีนะละคอนาเพให้เห็นว่าทุกอย่างช่วคราวจำตรงนี้นะเราเราใช้วิธีการภาคในใจเลยครับสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็คือไม่ต้งพากันเราเปลี่ยนฐานะมือเลนกบรกสัจ์ัเ่นที่ส่งกบ้านไปแล้วเราโตขึนหมดเลย ขอโอกาสนมัมสการณ์ร่างกายกันครับสมรู้สมรู้จิตการวางจิตของเราในเกี่ยวกบเรื่องสมรรั น, นความความของเราได้ถึงยางแล้วการวางจิตในกัดมือที่มืไปมันงประทศที่ไปนี่ยคุณจหวยอย่างไรครับนะเราไม่หวนะถ้าวาจิตเนี่ยเป็นเรื่องของสมรถนะหลักของการทาสมรรถนะของพ่อเมื่อก่อนเป็นผู้สิทท่านอหีนะ่ เดี๋ยท่านเขา้าเรียนตั้งปีศูนยแล้วก็ฝึกสมาธิอยู่จนอายุยี่สิเรียนสมาธิเล่นอยู่ยี่สิสองปคล็ดลับของการทรราําสมาธินวเป็นการรู้อารมณ์อย่างสบายๆเพราะเราไม่ได้วางจิตแบบรุนแรงนะวางปึ๊กลงไปนี่ไม่มีมันสนุกต้องสบายหลักของสมรราธินี่ก็คือทายังไงจิตจะสงบต้องตามตรงนี้ จิตมันเลื่อนปัติเนีย่ยร่อนเร่ตลอดเวลาคุณดูออกไหมีไปคิดตลอดเวลาจิตมันเที่ยวหนีไปคิดพราะอะไรเพราะมันเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ที่เลื่อนเิอพอใจเราก็ต้องหลอกล่อมันหาอารมที่มันสบายใจมาล่อมั น, อ, มนอย่างของอเรองชอบหายใจอารมน า, านาปัตติอหายใจแล้วมีความสุขอจิตใจเราหายใจเรามีความสุขนะจิตชอบมาอยู่บนลมหายใจจิตไม่หนีไปที่อื่นโดยเราไม่ได้บังคับ เคล็ดลับของการทําสมถะนะคือวางใจให้สบายไม่ใช่ถามอยู่ตรงไหนตรงไหนเราะอ น, นั้นเนี่ยเป็นเรื่องเต็กย่อยเป็นอุบายเฉพาะตัวแต่หลักของมันจริงๆก็คือต้องอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขคล้ายๆอะไรคล้ายๆเด็กจิตให้เหมือนเด็กเด็กวิ่งไปสน้อกบ้านตลอดเวลาเราอยากให้เด็กเข้าบ้านโดยที่ไม่ต้องเอาไม้ไปไล่ฟาดเมืนเราต้องเตรียมใมันมากินขนมออกมากินได้จริงมาก เด็กกินในจิตเป็นอารมณ์ที่ชอบใจใช่ไหมเด็กก็ไม่วิ่งไปสนเหมือนกันจิตนี่เหมือนกันถ้าเขาได้อยู่กับอารมณ์ที่เขาพอใจนะเขาไม่สุขสนงั้คุณก็ต้องดูว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขอยู่กับพุทโธมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจแต่ไม่ใช่ฝังคับจิตให้สงบนะจิตไม่ชอบฝังคับจิตเหมือนเด็กยิ่งบังคับยิ่งดื้อนั้วสรุปง่ายๆก็คือถ้าอยากให้เกิดความสงบเนี่ยให จิตเน่ยอยู่กัอารมณ์ที่สบายใจถ้าจะทําวิปัสสนาเราไม่บังครั้ให้จิตวิ่งนระับจิตวิ่งไปที่ตารู้ทันจิตวิ่งไปทางหูรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันหลวงพ่อเคถามหลวงปู น, นดูลหลวงปู่ครับจิตจะตั้งอยู่ที่ไหนแต่เดิคิดว่าจิตตั้งอยู่ต่างหน้าอกนี่หนะ่าเพราะเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นตรงนี้ทุกทีเลยหลวงปู่ ด, ดูลบอกว่าจิตไม่มีที่ตั้ง หมายถึง อ, อะไรหมายถึงว่าจิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นไม่ต้องเอามันมาตั้งไว้ทำมิจฉาสนาก็เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่หเกิดราดับใช่ไหมไม่ได้เอามันตั้งจับหลับให้แม่น้ากถ้าทำได้เราคุณทำสมาธิันเทงทีอืมอ่นสุการันอนี้จดเปล่นแล้วก็ไปกดๆมันไเป็นไงตั้งแต่เจอเลยคราวก่อนจนครานี้เป็นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ยี้ มัก็เปลี่ยนตลอโคนีเก่งลี่ตลอดใตาเองี้ไก็ถูกเนาะถูกต้องเปลี่ยนตลอดล้วถ้ารู้ทันเสติเรากเป็นต้าอือมันมีร้ก็อะไรนะมันก็มีเจริญแล้วก็มีจรเสื่อมถูต้องเวลาเราภานาไม่มีเจริญอย่างเดียวเจริญแล้วเสื่อมปรูบาอาารสอนอย่างนีุ้กครู้ักรสิหทองไห แสดสิ่งทองของเลจิตมีธรรมชาตเจริญแล้วเสื่อมแล้วเจริญแล้วเราลงยินดีเนี่ยโง่เสื่อมแล้วหลงยินร้ายโง่อีนะเขาแสดงความเจริญแล้วเสื่อมให้เราดูเพื่อแสดงไตลัก เ, เห็นไม่บังคับไม่ได้เรียนใครเพื่อให้ไครบังคับไม่ได้กตไปค่ะกนักสการ์บุญ่อนะคะอลัวไห ม, มไม่ไม่กลัวค่ะรูมารู้มจากโรงเรียนบางบังกงค่ะ ไม่ยังไงก็อาจจะต้องติดต่อหลงพ่อไปให้ทรบัตรกับเกิดที่โรงพยาบาลขอประคุงไหมนะคะได้สองคิวเน่เออปกติปีเท่าไหร่5 6าหก <c oughs> ปกตินะคะหนูก็จะสวดมนต์ทำบัตรชาวัตเก็นเ อ, อ่อแล้วก็นั่งภาวนาไม่ได้หวังว่าจะให้บรรู้อะไรแต่หวังว่าให้ตัวเองมีสติ นางหรือนางนอชีว cool <Excellent> ิตอยู่นะคะพราปกติตัวเองจะเป็นคนค่อนข้างโกดง่ายแต่ก็หายอยู่นะคะไม่ไม่ทราบว่าสิ่งเหลานี้มันจะจะช่วยอะไรก็ดีนะใครนรู้คนเองไปเรือยๆเขาคุยแทบเสื่อสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆไหมคนขี้โมโหเนี่ยมีบุญนะเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ดูง่เห็นไหมเจออะไรนนึงก็ฉุดเงี้ยมันกจะโกแล้วครก็มีก็ขัดใจแล้วอะไรอยเ้ราใครรู้ไป แานใจสูดๆขึ้นมาแล้วก็หออไปไม่คังเดินลักษณะงานหรือแหนงติเกต่เฉยมากลักษณะงานมันต้องทัเพอพอต้องช่วยชีวิตผท้ใช้มันก็เลยทำให้อารมณ์ตัวเองก็บางทีก็จะไหวไปด้วยนะก็พยายามที่จะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็นนั่งอย่างนั้นได้ไหมนั่งโานาแต่เาวนั่งเวลา่นจะ จะหลับดี่นะสงบเลยค่ะนี่งที่หลวงพ่อชาบอนะ่คนเมือง น, นะต้องดูจิเตเอาเรีนไปทำจนกว่านีนันน่งหลับสิเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เห น, นื่อยสาสาานนะัตันะไปจะถึงบ้านจะลนกปีกหักแล้วนะงนะูตายข้าวแฝดข่าวแฝดนั่งก็หลับเท่านั้นนะ่ะนั้นพยายามฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากอย่างเรานั้งอยู่นั่นนะเป็นเ้าหามป็ร้องแร่งไปแล้วนกะุ้งใจว่ากุ้งใจ รักษาเปนธรรมชาตจะตายแล้วกังวลด้วยว่ากังวลดูอยา่าง น, น, นี้เลยดูไปเลยพอคิได้ก็จะกังวลอีกนะฮ ะ, ะแล้วก็จะสงสารยากเขา้อให้รู้ทันใจของเราไปความเมตตากรุณาอะไรเนี้ย เ, ยเป็นกุศลนะแต่ถ้าเมตตาแล้วก็ไม่มีสติปยยัญญารู้ทันจะไหลถึกหล า, านค่ะจะเป็นความผูกพันความกรุณาอย่างเงี้เขาบาดเจ็บมาเนี้ยกรุณาอยากให้เขาหายสงสารเขาว่า ถ้าเราไม่มีสติคันนะมันจะกลายเป็นโหร ส, สับเสียหัเสียใจแล้วก็ต้องพยายามรักษาสี่ห้าแต่มันจะผิดสิ่งข้อสี่อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่ารักษายากค่ะเพราะว่าบางทีพูดแล้วเดี๋ยวจะทำให้เขาไม่สบายใจเราก<ะ>็ไม่อยากแล้วก็กลายเป็นว่ามันเราผิดสิ่งข้อสี่อยู่นนไม่นะคะแลก็มีศิลปะพูดนะ <c oughs> ขอาคนะพยายามฝึกสติในชีวิตประจำวันนะต่เราเครียดนยะ ปวดหงาย่ายเคร่ยดอะไม่ใช่ไม่ใ่ขี้โมโเลยหรอกแต่ว่าเรียดเอเวลาใจเสขึ้นมารู้ทันแตไม่ห้า ม, มอย่าไปขมยิ่งอย่ตอนนี้ยเรื่มไปกดมันไม่กดมันทาตัวเหมือนคนดูเห็นเหมือนเห็นคนอนนื่นกลังกาลังเครียดอยู่นะดูเหมือนดูคนอื่นกันได้ในส่วนแล้วไปรู้ทันแจใเองปๆออนนีเขไปนบนที่รานนัห้ทําลยไม่ส่วนเราที่นี่ล่ะ อยู่ตรงนี้ก็ส่วนได้เนี่ยมสมติตอนนี้เราว่างๆเราก็พุ่โทรทำโมสอนโคแค่นี้ก็ได้นะพ่โทรทำโมสโคไปพพุโทรพุ่งโทรใจอร์ไปคิดแล้รู้ทันแล้วมาพุ่งโทรพุโทรพ่งโทใจอีกไปคิดอีกรู้ทันนะสวอย่างนี้อ๋แน่นอนยิ่งส่วนยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคิดบ่อยเท้านั้นเพราะมันยาวอย่างถ้าส่วนชินบันช้อนนะราไปคิดเป็นร้อยครั้ง การพ่อครับตอนนี้ก็มาสมการบ้านกันแล้วเรียนรับลูกเออช่วงนี่ผ่านมาก็เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าจตมัอนกับเขาลที่ไปเรัสักสิบนาทีคือหมู ก, มกสังว่ารู้สัมัอย่างนอกาอย่างนี้นะครับแล้วงั้นจิตเขาพูดเองว่าจิตเขาพัฒนาของเองไม่ช่าัใช่นะครับเรามีหน้าที่จิตนั่นเหมือลกเรานะ เราไปฉลาดแทนรูปไม่ได้ไปสอบแทนรูป ก, ก็ไม่ได้แต่เราให้การศึกษาก็ได้แล้วเขาจะดีหรือเขาจะเลว อ, อยู่ที่ตัวเรา<ม>เราแค่ให้สิ่งแั้นเอาให้การศึกษาจริงนี้ก็เหมือนกันเราพาดึงตัวกายมาดังตัวใจ ไ, ได้ให้การเรียนรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในช่วงเราโดยเฉพาะฉลาดเมื่อไหร่เรื่องของเขาจะสอบขึ้นชั้นได้หรือไม่ได้เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราจากนั้นก็ดูจิตต่อครับแล้วก็เปิดทาง ข้างหวังคก็ <Ừ. S 2> เลยปเป๋ไปย่านี้สักอาิตยนึงครบอร์ได้รู้นแล้อร้ฐานนี้ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิ <Okay. S 2> เริเ่จิตสปีดเรื่องตู้มนะครับ น, นี้ขนาดนี้ถึงฐานแล้วช่วงนี้เมื่อกี้เรามหลงอมีถึงารเ้าี่นีับการที่เตถึงตึกตากชายสผานมม่ทราบคุณมมีเห็นไเห็นไครับ ตอนนี้จิตเป็นไม่ตั้งมั่นไปถึงฐานนะถ้ารู้ตัวนี้ก็ไม่มีปมัญหาเดี๋ยวคุณนี่จะสงสัยบางทีบอกจิตไม่มีฐานมัมีฐานเ็ีม่เหรมันเป็นความรู้สึกตัวจิตปกติเนี่ยชอบไหลไหลตลอดเวลาเนี่ยแต่ถ้าเรารู้อะไรนะมันไม่ไหลตรงที่ไม่ไหลนั่นแหละที่เรียกว่าจิตมันตั้งมั่นแต่ไม่ใช่ตั้งอยู่ตรงจุด น, นั้นจุด น, นี้นะ เ่อตั้งมนในความรู้สึกผมสงยุ่งยังหพ่อหรืจรงย่านยิ่เหมือนตูผู้รู้ใช่ครับแล้วงานใช่ไหมครับใช่แต่เดี๋ยวข่าวพอตูพูดรู้นะครับผมถ้าขาวูดรู้ผิดเลยครับผมนะหลวงพ่อเป็นเสนาแต่ข่าวพูดรู้นะผิดเลยกับนัตสุการตลวง่อขอหติการณ์ใ่ไมคที่ผมตามรู้ตามดูจิตใจเนี่ยถูกยังครับขอบคุณต้องดูให้สบายนะ อย่าให้เครียดอย่ากังวลที่ตามสุยอยู่ก็เริ่มใช้ได้แนละ้วดูพยอย่างมีความสุขน ะ, ะเราไปดูใจฟูร้านขึ้นมาเราไปดูดูออกไ้มใจเราชอบฟูซ่านใจฟูขึ้นมาเรารู้ใจฟูขึ้นมาเรารู้รู้บ่อยๆไม่ห้ามไม่กดไม่ผมน ะ, ะแล้วต้องทำในรูปแบบเพิมตอนนี้ยังตอนนี้ใจยางเบาบางเกินไปเหมือนแก้วบางๆ อย่าไปเครีนอยาไปประคับเมือนมากอย่าเครนยดอไปเครียด่าต่อไปอกาพัฒนาผ้าจาค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะะได้มีโอกาสมานั่งฟังทำะ้าจา์คือเมื่อสองสาเดือนที่แล้วเนี่ย้มีโอกาสได้มีเพื่อนแล้วก็ลายนะคะเอาที่ดีมาให้มาให้ฟังก็เลยไดความของะอาจานแผ่นเดียงนันะคะฟังแล้วฟังฟังแล้วฟั ง, แ ล, ฟง แ, ลแล้วก็มาหา ที่จะที่จะมาเรียนรู้ดููจิตนะคะก็ได้ก็ได้มานั่งดูอได้มาเรียนเรียน ก, ก็ได้ยกใช้วิธีการว่าขนาะคือจะเห็นจะจะรู้ว่าลูกกับน้ำเนี่ยมันแยกออกจากกาันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันมันคือรู้ี่ไปเห็นว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นในเสี่ยววินาทีตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งเนี่ยอมันมันจะมีลักษณะของอคือจะเห็นว่าบางครั้งยังมีโทรศัพท์ โศ์เกิดขึ้นบางครั้งก็หลงก็คือเราก็ไปร่วมมหกากรรมด้วยแต่พอพอรู้ว่าออกก็พยาการที่จะก็คือให้รู้ว่าอ๋ อ, อ ก, ก็แค่นี้เองแต่จะอ่าผู้จา่จายท่านี้ก็จะไปใช้ในลักษณะว่าในเรื่องของการทำงานนะคะซึ่งในการแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในการปฏิบัติกาตเรียนรู้ธุกิจเนี่ยคือจดตัวเองจะทำเมื่อเมื่อมีโอกาส หรือมีจังหวะเมื่อนั่งทํา ง, งานมีเวลาว่างก็จะจะอยู่กับกิูกพยายมไม่ไม่ไม่ลืมกายลืมใจตัวเองไม่ไม่ทราบว่ากนะ็นานะให้เรือสบายๆนะค่ะอย่าไปให้เรืงเคร่งครียดค่ะคอยรู้สึกคอยรู้ความรู้สึกเอาเตงบ่อยๆล้างน้ำขุย่อมมัน เ, เ, เ, เ<ะ>คร่งเียดใช่ไหรู้สึกไหมคือคือเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกอ่ามันกับว่าเราเคร่ง<ะ>พอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราเราแค่รู้สึกว่าสงบสบาย แต่แต่พอหลังสุดเนี่ยก็หลังจากที่มาหัดเรียนรู้ดูจิตเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกำลังมองไปได้เรื่อยๆเลยแต่ตอนนี้ก็เป็นส่วนเนี้ยก็คือมาใช้ในเรื่องของการขับรถเราก็จะมีคือคือจิตเนี่ยหรือหรือสติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็ น, นตลอดเวลาว่าอันตรายใช้คําว่าอันตรายนะคะพรอาจารย์มันก็จะโอกาสที่จะเกิดภัยรอะไรเนี่ยก็จะลดลงเพราะว่าหนึ่งเรา จิตกัการอยู่ด้วยกันเราะฉะนั้นสติมันสติข้อใจอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะเราคอยใช้กเกอย่างให้กันบ้านเพื่อ น, นะเวลาที่จิตเป็นคิดเนี่ยเกจไม่นนเวลาเราคิดนะเราจะกระโจนไปอยู่ในโลกของความคิดเลยเราอินไปในโลกของความคิดเตือในใ้ตัวออกไหมอย่างเวลาเราพูดพูดพูดแล้วเราจะไปเลยเตัวนนี้ไปดูเตือนี้บ่อยๆนะต่อไปจันจะถอนตัวออกมามาเป็นผู้ดูผู้ดูด ตอนนี้ใจมันยงเข้าไปคลุกอยู่อ า, ารมณ์อย้่ในฝึกตัวนี้นะ ใ, นใจมันหลที่คิดทุจริตใจมันไหลที่คิดมันอิ่มในการคิดรู้สึกไหมเวลเราคิดอะไรนะมัิตเราจับนะนี้มันเป็นจุดตอนของเรานะให้ความรู้ทานจิตที่มันเป็นอิ่มแก่โลกของความคิดมันะนะ ต, ต่อไปแค่นี้ก็ยากแล้วนะทนะำได้นานแต่กานขอ ง, งพ่อค่ะ คือเวลาที่เรามองร่างกายเป็นธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟเรารู้สึกว่าร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ว่าเราจะร้อนข้ายังไงอย่างคนเปไข้เราไม่สามารถลดไข้ได้เราบรรพับตัวเราเองไม่ได้แล้วเรามองเห็นว่ามันไม่ตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปทีเป็นธรรมะทีนี้โดยตัวเองเนี้ยเป็นคนมองจิตไม่ได้อ่ค่ะเราแค่ดูพ่อเมตตาสอนว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเองเขาพูดจริงจริงหัวกระต่ยดูจิตเป็นคนช่างคิดนะ แต่ว่าของเก่าที่ทำเน่มันเป็นเนนอยู่ที่ไกายคารู้สึกนี่ยมันแทบไป อ, บอยู่กับอที่การู้สึกไเป็น่กลมอยู่รอบกายกิมันจะอยู่นิ่งๆจนเราไม่เห็นเ น, น, นี่กอนเนี่ยกองใ้ทั้ง่นะดึงด้วการปฏิบัติก่อนแล้วออกมากระทรบอรมตามธรรมชาติไปๆนะแล้วถ้ดูใจที่เตือ น, น, นขนึ้นยแต่ตอนใจใอิดคิ้นซักเลย แต่คิดแล้วอยากพูดรู้สึกแห้เนี่ยเรื่งเกี่ยวกันดูจิตจิตอยากจะพูดหรือว่าอยากเห็นไหมอยากพูดเห็นไหมมันมีแรงตึงขึ้นนะที่นนทบก็ที่ทําอยู่นั่งสนทนาที่ในจมโจรเราดูเองไหมค่ะก็ทำในมีไปลดยนะแต่ว่าหักมาดูสภาวะที่เกิดขึ้นสภาวะมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นเลยอย่างเมื่อกี้ฟังอยากพูดที่มันก็โลภะ ตโลาะเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีโลครับใจมีไคิดในขณะที่ใจมีไคิดคือบุตท่านจากทุกสั้นก็เป็นโมหาอย่างตอนนี้ใจมีโมหาแลู้ไปคิดแล้วหลนะ อ, อกไหม